ต่อนี้ไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประวัติและคําสอนของพระบูรพาจารย์ผู้สุปฏิปันโนในยุค วัดหลวงพ่อปานอัคคันโยวัดบางเหี้ยหรือวัดมงคลโพธาวาสจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการเมื่อปีพุทธศักราช 2368 บรรพชาตั้งแต่ 2388 เมื่อ 20 ปีท่านได้สิรงค์ขอๆท่าน เป็นครูสอนกรรมฐานตรงไปตรงมามีชื่อเสียงมักนําคณะ หลวงพ่อปานวรณภาพในปีพุทธศักราช 85 ปีเรื่องราวของท่านเรื่องรัชกาล 5 ทรงกล่าวถึงหลวง 5 ทรงเคย ความตอนหนึ่งว่าตอนหนึ่งว่าพระครูปานรูปนี้ 200 300 ออกเดิน 5 6 ประพฤติ 40, 40 ปีแล้วคุณ ด้วยคู่ข้อมือรถน้ำมนต์ที่นิยมกันมากคือเสือเสือ 70 ปีแล้วยังไม่แก่มากครุบร่าง 5 เคยรับสั่งถามหลวงพ่อปานว่าครั้งได้สังเกตฉลาดว่องเฉียบขาดเฉียบขาดมีตบะ เรียกผู้ไล่ได้กันว่าไอ้เสือก็คือเอาความเก่งกล้าของเสือมานั่น 5 สมพรพระทัยใน จึงได้พระ